เสียงของครูพรานผู้เท่าใช้วิทยุของอนุชาร้องสั่งลงมากระหึกระหอบตัวเองสองคนนั้นก็ระวังไว้ด้วยเชษฐาตะโกนพูดวิทยุสั่งขึ้นไปแต่ครุบ ป, ปีกมวกไว้มัน่นก่อนที่มันจะปลิวหลุดผูกสายรัดทางไว้แล้วกระโจนมาที่น้องสาวคนเล็กที่กำลังหมอบกระแตเกาะก้อนหินอยู่ฉุดแขนพากันเล่นตามพื้นหินครูครานั้น กระเจิงเข้าไปยังตำแหน่งวงชง่อนตอนหนึ่งหลักดารินให้เข้าไปขดตัวบังอยู่ในนั้นลักษณะของมันวาวเหมือนฝาหอยที่เปิดอ้าออกพอจะเชื่อได้ว่ากระแสะลมคงจะพุ่งลงมากระทบและดูดดึงขึ้นไปไม่ได้แน่นอนตอนเองยืนอยู่ปากทางนั้นตะโกนสั่งการกับชยันและขยินให้ทั้งสองช่วยกันต้อนพวกลูกหาบและสัมภาระเข้าหาที่ปลอดภัยจากลมมวงช้าง ซึ่งกำลังพยายามดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ลอยตามมันขึ้นไปด้วยระเนระนาดจ่าละวันคุมกันแทบไม่ติดทั้งขบวนอาศัยที่เคยผ่านเหตุการณ์อันตรายในทุกรูปแบบมาก่อนแล้วทังชัยันและขยิงรู้หน้าที่ดีที่สุดว่าในภาวะเช่นนี้จะป้องกันตนและพักพวกบริวารที่ติดตามมาอย่างไรบ้างลาพางตัวเปล่าของแต่ละแต่ละคนนั้น ก็คงจะคล่องแคล่วว่องไวกว่านี้แต่มาติดหาสิ่งของสัมภาระอันทำให้ต้องทุลักทุเลกันขนาดใหญ่ทีเดียวข้าวของทุกอย่างที่หอมัดแบกหามกันมาเลือนจำเป็นต่อาการดำรงชีพและการเดินทางทั้งสิ้นหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกพายุมาหาการหอพัดขึ้นไปก็จะแปลว่าจะถูกตับกำลังในการเดินทางไปในทันทีจึงต้องระมัดระวังกันอย่างขีดสุดหลายคนล้มลุกทุกคาน และไล่ตะครุบห่อของที่กลิงหนีแต่สภาพอันครุขระเต็มไปด้วยแง่หินที่กองพนเนินสลับซับซ้อนอยู่ทำให้มันกลิ้งไปติดอยู่ตามแง่หินเหล่านั้นพอที่จะตามเก็บมาได้ปลมานกันอยู่พักใหญ่ทีเดียวกว่าทุกคนจะเข้าหลบอยู่ในที่กำบงังพออาศัยได้โดยแยกกันอยู่ตามจุดช่องโพรงริมทางต่างๆสุดแต่จะหาได้แห่งละคนสองคน สภาพของอากาศที่เคยมีแดดแผดเปรี้ยนก็มืดมัวไปหมดแทบจะมองอะไรไม่เห็นเสียงมหาวาตาผิจจะพายุสามันธรรมดายิ่งคำรุนหนักและทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีหลายคนอ้าปากค้างตาเหลือกเมื่อเห็นหินก้อนขนาดครกตำข้าวถูกยกลอยขึ้นจากพื้นราวกับจะมีมือที่มองไม่เห็นมาหยิบยกขึ้นและอีกหลายๆก้อนก็เริ่มกิ้ง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 ใช้ผ้าขาวม้าของใครก็ไม่ทราบที่เก็บได้ระหวางวิ่งหลบภัยมาผูกปิดจมูกไว้เอาแขนเสื้อขึ้นป้องแนวตาซึ่งบัดนี้ล้มพัดจนแทบจะลืมไม่ขึ้นเสียงตะโกนพูดกันไม่ได้ยินซะและ้วเพราะเสียงพายุกลบหมดนอกจากจะใช้วิทยุเท่านั้นและเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องแยกกันหลบชนิดตัวใครตัวมันโดยกระทันหันเช่นนี้จึงไม่อาจมองเห็นแต่ละฝ่ายได้ว่าใครอยู่ที่ใด ยังปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าหรือว่าถูกลมดูดเปลี่ยไปแล้วเมื่อเห็นว่าพี่ชายใหญ่ยังคงงอตัวโซเซยอยู่ปากทางเวิ้งผาด้วยความเป็นห่วงพักพวกดารินก็ยันกายลุกขึ้นคว้าได้เข็มขัดเบื้องหลังของเชษฐากระชากให้เข้ามาิ้งหลบอยู่ในซอกโพรงที่ลึกเข้าไปตำแหน่งเดียวกับที่หล่อนเข้ามาหลบอยู่ก่อนแล้วอย่ายืนอยู่ตรงนั้นพี่ใหญ่ลบขามากรลบขามา ล่นตะโกนกรอกหูพี่เป็นห่วงพวกนั้นน่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาตัวเราให้ปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นลักษณะของมันคือทอร์นาโดแน่ๆก็ททำไมถึงมาเกิดในหุบเขาหุบผาก็ไม่รู้ความจริงมันต้องเกิดในที่ราบโล่งดี2สองพี่น้องตะโกนพูดกัดตะเบงแข่งเสียงพายุ เชษฐาพยายามควานหาวิทยุประจำตัวที่เน็บเอวไว้แต่ดารินชฉวยของตัวเองขึ้นมาถืออยู่ในมือแล้วล่อนกรอกคำพูดเร็วปรือลงไปเรียกทุกคนเรียกทุกคนฉันกับพี่ใหญ่ปลอดภัยพอสมควรแล้วชา ย, ยานันไปยินไหมเป็นยังไงบ้างอืใจใหญ่ต่อมาเสียงชา ย, ยันแบบสำลักก็ดังก้องออกมา โอเคโอเคทางฝ่ายฉันขยินแล้วก็ลูกหาทุกคนหาที่หลบภัยเฉพาะตัวได้ครบแล้วอกทิตใคไทยตลกปบอกเปิกหัวร้างข้างแตกไปมั้งแต่ก็ไม่หนับหนาอะไรข้าวของทุกชิ้นอยู่ครับเรียกพี่กลางเรียกลูกยินพี่กลาง ดารินตะโกนทางวิทยุต่อไปเงียบไม่มีเสียงตอบมาจากคนใดคนหนึ่งเบื้องบนหน้าผาสูงนั่นเลยแต่ตรงข้ามสอดแทรกมาพร้อมๆกับเสียงพายุกลับได้ยินเสียงหน้าผาทั้งสองด้านลัน่นคือๆือคสะเทือนไปหมดแล้วไม่กี่อึดใจก็มีเสียงหินถลม่มตูมตูมลงมาตามแนวทางสูงชันนั้น ไม่มีปัญหานอหินงอกที่ยังพอมีเหลืออยู่ข้างบนยอดผาทั้งสองด้านเริ่มจะท้านำหนาจล้มกรดไม่ไหวหลุดร่วงจากตำแหน่งที่มันฝังอยู่เพราะความที่เป็นหินปูนเปราะๆร่วงล่นลงมาแล้วเป็นระยะๆประเดี๋ยวโครมที่นั่นประเดี๋ยวโครมที่นี่สถานการณ์ดูจะเลวร้ายลงทุกขณะเงามัจยุราชแผ่ครอบคลุมตลอดอาณาบริเวณ ช่องถาผีรองนั้นทุกตารางนิ้วว้ยสนุกจริงว้ยให้มันได้อย่างนี้สิพวกไม่มีใครชัยันนั่นเองที่แหกปากตะโกนขึ้นแล้วก็ปรากฏเสียงร้องอ้ยขึ้นมาแทนที่เมื่อก้อนหินขนาดตุ่มสามโคกก้อนหนึ่งลนโครมลงมายังแนวทางใกล้เคียงกับซอกที่เขา เข้าไปซุกตัวเกาะแงหินอยู่แรงที่มันตกลงมาทำให้แตกกระจายเป็นสเก็ตราวกับระเบิดและชิ้นเล็กๆขนาดฝ่ามือแผ่นนึกปริวแวบเข้ามาถากหน้าผากเหนือหางคิ้วของอดีตนายทหารปืนใหญ่ความแรงและความคมของมันราวกับคมมีดเฉือนเปิดบาดแผลเป็นทางยาวประมาณสองนิ้วเลือดพุ่งกระฉูดออกมาทันทีชายันเอาฝ่ามือตะครุบไว้ อุดไม่ให้เลือดทะลักออกมามากโชคดีที่มันไม่กระทบตรงหน้าหาไม่เช่นนั้นบาดแผลและอาการของเขาจะต้องสาหัสสากันเน่ชายันเลยได้ก็นั่งแยกเขี้ยวเอาฝ่ามือกดบาดแผลรอยถูกขินเฉือยอยู่เช่นนั้นเงียบเสียงไปความฉุกลระหุกและเสียงอันประสานกันอึ้งไปหมดในขณะนี้ ทำให้ทั้งดารินและเชษฐาไม่ทันจะเฉลียวคิดในเสียงร้องอย่างตกใจของชัยยันและไม่ได้สอบถามมาคงเรียกอนุชาและนานอินซ้ำซ้ำอยู่เช่นนั้นเพราะทั้งสองบุคคลที่อยู่สูงขึ้นไปย่อมอยู่ในเกณฑ์อันตรายกว่าทุกคนเบื้องล่างแน่ๆนแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบอย่างหนึ่งอย่างใดแววลงมาให้ได้ยินเลยราวกับว่าไม่มีบุคคลทั้งสองอยู่ในโลกนี้แล้วฉชนั้น ตายแล้วพี่ใหญ่นี่ทําไมพี่กลางก น, นานอินถึงได้เงียบฉีไปแบบนี้นะหลอนคลางกระเชิดาอย่างรุ่มร้อนใจขีดสุดใจดีๆไว้น้อยเชื่อมือกลางก น, นานอินดิถึงยังไงทั้งสองคนนั่นก็เอาตัวรอดได้แน่อาจจะมีอะไรทําให้ทั้งสองคนนั้นยังตอบมาไม่ได้ก็ได้ยังไม่ทันจะขาดเสียงพูดของเชิฐา ก็ปรากฏเสียงกำปนนาสะเถือนเลื่อนลั่นของกระสุนไรเฟิลจุดมแม็กของนานอินแผดคลื้นขึ้นสะท้อนกล้องไปทั้งสองฝั่งหน้าผาและอากาศเบื้องบนอนุภาพแห่งเสียงนั้นดูจะกรบเสียงพายุร้ายลงชั่วขณะที่มันคำรนออกไปแล้วก็มีเสียงคลื่นซ่าแทรกไปในคลื่นอากาศวิปริต แววยาวไปไกลแทกไปทุกอนูของอากาศอาเพศขณะนี้ดาริมกับเชษฐาหันมองหน้ากันเหมือนจะถามว่านานยิงอะไรแต่ก็ไม่เอ่ยเป็นคำพูดนอกจากเกาะแขนกันไว้แน่นตั้งวันเสียงไรเฟิลยางหายสนิทไปแล้วคงเหลือไว้แต่อิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าแห่งวาตะที่ครางอยู่วื้วาะ เพาว่าก็แค่อีกกุจใจใหญ่ๆเท่านั้นพายุร้ายดูจะค่อยผ่อนความรุนแรงลงทุกขณะเป็นที่น่าอัศจรรย์มันบางเบาลงไปเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดเพียงไม่เกินสามสี่นาทีก็เหลือเพียงกระแสลมที่ผ่านช่องโตรเขาเท่านั้นหมดสิ้นอาการเกรี้ยวกราดหน้าสะพึงกลัวชนิดที่หมุนลงมามวนเอาสัรสิง ภายในช่องเขานั้นให้ปลิวลอยหายขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นที่มันสำแดงเดดเมื่อครู่นี้ทุกคนค่อยๆโผล่ออกมาจากที่ซ่อนตัวแงนมมองขึ้นไปเบื้องบนก็เห็นเมฆดำที่ม้วนเป็นเกลียวอยู่นั้นเริ่มแผ่กระจายวงกว้างออกเหมือนมีอะไรมาตีให้แตกมันมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว พอๆกับการเข้ามารวมตัวของมันก่อนที่จะกลายเป็นลม ง, งวงช้างจูโจมลงมาเล่นงานทั้งหมดออกมายืนงงตะลึงงินกันไปหมดแล้วก็โห่ร้องกันขึ้นอย่างยินดีเมื่อเห็นนิดพรานชดและหนานอินกำลังค่อยๆตายลงมาจากหน้าผามริตยูนั่นอย่างระมัดระวังต่างตะโกนเรียกคนทั้งสองแท็กไปหมดแลพากันเข้ามาจับกลุ่มกันอีกครั้ง ดารินผู้มีหน้าอันซีดเผือดบัดนี้เริ่มมีหน้าที่สีเลือดเริ่มหน้ามีสีเลือดขึ้นและยิ้มออกมาได้ตาเป็นประกายพี่กลางลุงอินหล่อนตะโกนเรียกขึ้นไปอย่างดีใจอนุชาบัดนี้ลงมาจนเกือบจะถึงแล้วเกาะชะง่อนแง่พักเหนื่อยและหันมาโบกมือให้ทุกคน ส่วนนั้นอินยังไต่ลงมาอย่างช้าๆลักษณะของแกเยือกเย็นอยู่เช่นเดิมและที่สุดคนทั้งคู่ก็กระโดดจากชะงอนแง่สุดท้ายลงมาท่ามกลางหมู่พักพวกที่รอรับอยู่แล้วเป็นไงทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าครับข้าวของน่ะอยู่ครบไหมอนุชาถามขึ้นเป็นประโยคแรกขณะที่กว่าตามองไปยังทุกคนอย่างเป็นห่วง ก็ฉุกลระหุกโกลาหนกันเต็มเหยียดทีเดียวแหละแต่ปลอดภัยกันทุกคนละสัมภาระข้าวของก็อยู่ครบก็เว้นแต่ผ้าขาวมาของใครบางคนจะถูกไอ้ลมมาหาการนันดูดปลิวหายไปบ้างเท่านั้นแล้วเธอกับลุงอินน่ะเป็นไงมัง่งเป็นห่วงกันแทบแย่นะพี่ชายใหญ่ตรงเข้ามาจับไหล่เขยา่าถามโดยเร็วอดีตพรนชดยิ้มแค้นแล้วหันไปมองดูนานอิน ผู้กำลังเอาชายผ้าเขาม้าที่เคียนเอวอยู่เช็ดฝุ่นละอองที่จับอยู่เต็มใบหน้าก็ทําท่าจะถูกดูดลอยไปชมสวรรค์เหมือนกันล่ะครับพี่ใหญ่โชคดีนะที่ได้ซอกขินใกล้ๆเข้าไปซุกตัวอยู่มันมาแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยพอพี่ใหญ่ร้องเตือนให้ระวังเท่านั้นแหละมันก็เล่นงานผมกับลุงอินก่อนเลยเกือบเสียหลักพลดหลุดมาจากบนนั้นแล้วมันฉกวูบลงมายังก็มีใครเอาท่อยักษ์มาดูดนันแหละ แล้วนี่มันยังไงกันเนี่ยบทจะมาก็มาอย่างวู่วาบไม่มีลางบอกเหตุเลยแล้วบทจะไปมันก็ไปได้ง่ายๆรวดเร็วเหลือเกินเมื่อกี้นะ่ะได้ยินเสียงไรฟินสนั่นไปหมดใครยิงอะไรอ่ะลมงวงช้างนะ่ะบางทีก็เรียกว่าลมกรดเสียงพรานครูผู้เฒ่าเอ่ยมาเนิบเนิบบนหัวร้อฮือๆในลำคอมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นาย ถ้ายักษ์มันมันเป็นเจ้าปกครองแถบไหนและหมายจะลองดีกับมนุษย์เมื่อมันบันดาลขึ้นได้เราก็แก้มันได้เสียงปืนตะกี่นั้นอินใช้กระสุนลงอาคมยิงขับมันไปซะมันก็เลยถอยทุกอย่างในป่านะมันเกิดขึ้นได้ก็แก้กันได้ขอเพียงแต่ให้รู้เคล็ดรู้วิธีแก้เท่านั้น นานอินก็สิทธิมีครูเหมือนกันไม่งั้นไม่อยู่ในป่ามาได้จนถึงป่านนี้หรอกเชทฐาดารินและชัยันอดไม่ได้ที่จะจ้องมองดูครูพรานผู้เท่าด้วยความพิศวงอยู่ครามครัน ท, ทั้งทั้งที่ก็รู้กันอยู่ก่อนแล้วว่านานอินนะ่ะในเรื่องสยเวทอาคมเกี่ยวกับป่าดงพงไพรแล้วจะมีฝีมือขนาดไหนแต่ว่าแกคุยก็ใช่ที่ เพราะตามปกติแล้วนานอินไม่เคยพูดถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองเลยและทุกคนก็เห็นประจักษ์ชัดตาอยู่หยกๆยกเพียงแค่เสียงปืนที่แกยิงขึ้นฟ้านัดเดียวเท่านั้นพายุที่เกิดขึ้นอย่างหน้าเกรงอันตรายเรากับจะบันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์ของผีร้ายก็สาหายไปในทันทีและบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบราบคาบลงตามเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย ตะวันบ่ายเริ่มกระจายแสงฉาบท้องฟ้าเบื้องบนอีกครั้งเป็นแสงสีแดงเหมือนแสงโกเมนเด็กจริงๆลุงอินให้มันได้อย่างงี้สิถึงไม่มีระพินมิลุงมาด้วยอย่างงี้พวกเราก็อุ่นใจที่สุดแล้วชยันร้องออกมาอย่างลิงโลดโดดก็มาจับมือครูพรานผู้เท่าเขยา่าแกก็ทักออกมาว่าอ้าว แล้วน่ะนายทหารเป็นอะไรเลือดไหลเต็มหน้าเชียวถูกอะไรเข้าล่ะเนื่องจากชายันเอามืออุดแผลออกไปจับมือหนานอินบาดแผลจากรอยหินบาดเลือดจึงไหลรินออกมาอีกทุกคนหันขวับแล้วอุทานออกมาอย่างตกใจชายันโบกมือหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยเท่านั้นหินก้อนใหญ่มันตกลงมาใกล้ๆแล้วก็แตกเป็นสะเก็ดปลิวมาบาดคิ้วอน่อย ดารินปราดเข้ามาดูทันทีใช้ผ้าพันคอของหล่อนเช็ดเลือดเพื่อให้เห็นบาดแผลชัดชยันก็รีบบอกมาว่าไม่ต้องเย็บนะน้อยยุ่งยากปเปล่าๆเอาแค่ห้ามเลือดแล้วก็พลาสเตอร์ปิดไว้พอแล้วทุกคนหยุดเรื่องอื่นลงก่อนในทันทีต่างหันไปเอาใจใส่กับอาการของชยันที่รู้สึกว่าเลือดจะออกมากดารินร้องสั่งเรียกหากระเป๋าเวชภัณฑ์ของหล่อนทันที ขณะเดียวกันเชษฐาก็สั่งไปยังพวกลูกหาบทุกคนให้ช่วยกันสำรวจว่าใครได้รับบาดเจ็บที่จะต้องเยียวยากันเช่นไรบ้างเป็นการสำรวจตรวจสอบกันอย่างฉับพลันทันทีทั้งหมดหยุดรวมกลุ่มกันอยู่ณที่ตรวจนั้นช่วงขณะหนึ่งไม่เย็บไม่ได้นะชยันมันฉีกมากทีเดียวถึงกระดูกขระหม่บเลยแล้วก็เป็นแผลปากฉลามลด้วยดิดารินพูดเร็วปรือ ภายหลังจากที่กดไหลเพื่อนชายให้สุดลงนั่งและตนเองคุกเข่าตามลงไปยังใช้มือตรวจดูรอยบาดแผลนั่นอย่างละเอียดเชษาอนุชาเข้ามาก้มดูอยู่ด้วยเพราะเห็นรอยแผลที่ถูกขินบาดนั่นเข่าทั้งสองก็รีบบอกมาโดยเร็วเฮชยันเชื่อน้อยเะบาดแผลแกไม่ใช่เล็กน้อยนะแล้วตอนนี้รู้สึกไงมั่งล่ะก็มันมึนงงงนิดหน่อยอะ ชัยันฝืนยิ้มบอกตามความรู้สึกแท้จริงอาการนั่งของเขาทรงตัวไม่ตรงนักเริ่มจะโ ง, งนเงินมีอาการเหมือนจะเป็นลมเอ็นตะแคงลงเชิาคว้าตัวไว้ได้ทันประคองไว้บนตักเร็วน้อยเข้าใจว่าหินคงจะกระแทกหมัดแรงทีเดียวล่ละเชิาร้องสั่งมาละล่ำละลักลักษณะของชัยันสงบเงเหมือนจะควบคุมสติไม่ได้ไปชั่วขณะ ดารินเข้ามาตรวจอย่างถีทั่วอีกครั้งโดยใช้นิ้วค่อยๆทดลองกดเบาๆตามบริเวณหางคิ้วที่มีรอยบาดแผลนั้นไปจนตลอดแนวขมับชิดจอนผมเพราะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระดูกอันเป็นจุดอ่อนส่วนนั้นจะได้รับความกระทบกระเทือนเกินระดับบาดแผลสดุดเท่าที่เห็นอยู่หรือเปล่าทุกคนสังเกตเห็นสัญญแพทย์สาวมือดีมีสีหน้าเครียดขึมลงอีกครั้ง ขณะที่ค่อยๆบันจงกดลงไปหล่อนกระซิบเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงชัยยันอืมอืมรับคำได้ทุกครั้งแต่ดวงตาปิดหลับลงชั่วขณะระหว่างที่สีรษะยังพาดู่กตักเชิดถาอนุชาขยับปากจะพูดอะไรออกมาแต่ดารินใช้นิ้วแตะริมฝีปากไว้เชิงไม่ให้เอ่ยถึงอาการใดๆของเพื่อนชายก่อนทั้งสิ้น โดยขอให้ทุกคนปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของหล่อนคนเดียวก่อนชายันเจ็บมากไหมขณะที่ฉันกดลงไปเนี่ยหล่อนถามเบาๆด้วยเสียงเรียกปกติระวังความคิดวิตกกังวลไว้ไมิชิดก็นิดหน่อยอ่ะไม่มากนักหรอกแล้วรู้สึกเป็นไงมัางอ่ะไหนบอกสิดารินถามซ้ำถึงสองครั้ง ชายยันจึงตอบออี้ออกมาว่า ม, มันมันมึนงงอะนะเวียนหัวขึ้นไส่อยากอาเจียนอะพี่ชายใหญ่และพี่ชายกลางมองจับมาที่หล่อนเป็นตาเดียวเหมือนจะถามเพราะต่างไว้ทันในการตรวจอย่างละเอียดของดารินขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ปรีบปากคำใดทั้งสิ้นแววตาเท่านั้นที่สอบประกายเป็นห่วง และทั้งสองก็ลอดถอนใจออกมาได้อย่างปลอดโปร่งขึ้นเมื่อได้ยินดารินบอกเหมือนจะประกาศให้ได้ยินทั่วกันแม้แต่คนเจ็บเองว่าไม่เป็นไรมากนักรอกนอกจากบาดแผลสุดเท่านั้นอาการของเขาเหมือนคนที่ถูกต่อยที่ขมับอย่างแรงแต่กระดูกไม่แตกไม่ร้าวแต่งแผลเสร็จฉีดยาสักเข็มนอนพักสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะเรียบร้อยละ เชิฐาจ้องหน้าน้องสาวขยับริมฝีปากถามแต่ไม่ให้ปรากฏเสียงว่าแน่ใจเถอะน้อยหล่อนก้มศีรษะลงและตอบในอาการเดียวกันแน่ใจค่ะแต่ต้องให้พักสักระยะหนึ่งแล้วราชสกุลสาวก็พูดแบบเสียงปกติธรรมดาว่าอ่ะขอแรงหน่อยละช่วยกันหามชายันไปนอนที่เรียบเรียบหน่อย เขาจะได้พักสบายๆแล้วก็จะได้จัดการบาดแผลได้ถนัดขึ้นรวดเร็วทันการดีที่สุดเพียงขาดคำสั่งเท่านั้นอนุชาก็ตรงเข้าหามท่อนล่างในขณะที่เชษฐาก็ประคองส่วนศรีรษะกับไหล่ช่วยกันยกชา ย, ยันนำไปวางให้นอนราบลงยังพื้นหินริมหน้าผาหนานอินและขยิงช่วยกันปูผ้าพลาสติกให้อนอนนิ่งๆ น, นะช ย, ยัน ไม่ต้องห่วงอะไรเราจะพักกันที่นี่จนกว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นเชื่อว่าคงไม่นานหรอกมิจจะหลับซักงีบก่อนก็ได้นะชัยยันพยายามจะยันกายลุกขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ตายังปิดอยู่ต่เชฐถากดไหลให้นอนลงตามเดิม อ, อย่าดื้อสิทำตามคำสั่งของหมอเป็นดีที่สุดชัยยันเออรับรองว่าก่อนค่ำวันนี้เราต้องออกเดินทางต่อไปได้อีก ขอยกันยอมนอนพักสักแค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละฉันไม่คิดว่าคนที่โชคร้ายที่สุดคราวนี้จะกลายเป็นฉันไหมนะความจริงฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรนะจากสีหน้าอันซีดนั้นชา ย, ยันพึงพำออกมาพร้อมกับฝืนยิ้มแ่โชคร้ายกว่าทุกคนนะแต่ก็ไม่มากนักหรอกและถ้าแกยอมทตามตามคาสั่งของน้อยเรื่องเล็กก็จะเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าขืนดันทุรงังไอ้เรื่องเล็กมันจะกลายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปหมายถึงว่าอาการของแกอาจจะเลวลงไปกว่านี้สเก็ตหินก้อนนั้นน่ะไม่เพียงแค่เฉือนหางคิ้วแกเท่านั้นมันยังกระแทกขมับแกด้วยตอนนั้นกําลังตื่นเต้นสับสนกันอยู่แกก็เลยยังไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่นักอดีตเพื่อนตายของพี่น้องสกุลบาราริสผู้สละทั้งเมียสาวสวยและลูกน้อยที่เพิ่งเกิด เสียงชีวิตตามเพื่อนมาด้วยเพราะความรักเพื่อนยอมสงบไปโดยดีพยักหน้านิดหนึ่งดารินเข้ามาจัดการกระบาดแผลสุดก่อนชำระล้างปากแผลนั้นด้วยเซลไลที่มีติดมาด้วยพร้อมในเครื่องเวชภัณฑ์เย็บด้วยฝีมือประณีตระมัดระวังสี่เข็มฉีดยากันบาด ท, ทยักและยาประเภทระงับประสาททุกสิ่งเสร็จสับภายในเวลาไม่เกินสีห้านาที ด้วยฝีมืออันคล่องแคล่วชำนานแล้วก้มลงจูบเบาๆที่แก้มของชายันอย่าห่วงอะไรทั้งสิ้นนะนอนพักให้สบายถ้ามันจะหลับก็อย่าฝืนขอให้หลับสักขณะหนึ่งก็ยังดีฝันถึงเมแล้วก็ลูกเล็กๆของเธอไปพังพลางก่อนริมฝีปากแห้งผากนั้นยิ้มอีกครั้งขอบใจน้อยในเวลาเท่าไหร่ละ บ่ายสามกับอีกสิบนาทีฉันไม่ชอบเลยนะที่ตัวเองต้องมาเป็นภาระทวงการเดินทางของ พ, กพวกแบบนี้เสียงชยันอุบอิบอะไรในลำคอและต่อไปอีกสองสามประโยคที่ฟังไม่ได้สักจากนั้นก็สงบนิ่งราบคาบไปเชิฐท้าพระเดินห่างออกมา แล้วดีดนิ้วเบาๆเรียกน้องสาวเข้าไปใกล้อนุชาก็ตามเข้ามาด้วยนี่น้อยอย่าปิดกันนะอาการของชา ย, ยันหนักมากไหมพี่ชายใหญ่กระซิบถามอย่างจริงจังเพราะยังไม่ไว้วางใจสนิทนักมันพูดยากกับพี่ใหญ่จะว่าหนักก็หนักไอจะว่าไม่หนักก็ไม่หนักก็ต้องรอดูอาการของเขาภายหลังจากรู้สึกตัวอีกครั้งหนึง่ง ไอบาดแผลฉีกนั้มันเรื่องเล็กแต่การกระทบกระเทือนที่ขมับยังเป็นสิ่งที่น่าคิดแต่น้อยทดลองกดดูตรงกระดูกขมับแนละ้วถ้าแตกหรือร้าวก็เรื่องใหญ่ทีเดียวชายันไม่รู้สึกเจ็บมากอะไรนักในระหว่างที่กดลงไปจึงอยากจะเชื่อว่าไม่เป็นอะไรอย่างที่เราระแวงไปมันเหมือนเหมือนอย่างงี้ยังไงคะหล่อนพูด พร้อมทั้งกำห ม, มัดให้ดูโดยโผล่ข้อของนิ้วกลางออกมาให้เป็นมุมแล้วทำกระแทกลงกับขมับของตนเองบอกต่อไปว่าอาการที่เขาถูกแผ่นหินกระแทกก็งคงคล้ายๆถูกต่อยโดยกำปั้นที่กำแบบนักยิวยิฐสูบแบบนี้โดยผู้ต่อยจะใช้ข้อนิ้วกระทุ้งเข้าไปตรงจุดอ่อนของขมับผู้ถูกต่อยจะเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะ มีอาการวิงเวียนแล้วคลื่นไส้อย่างที่เขาบอกตะกี้เนี่น้อยก็ให้ยาสะกดเขาเพื่อหลับสักชั่วโมงเท่าที่ตรวจดูน่ะหากหนึ่งชั่วโมงเขาตื่นขึ้นมาในสภาพที่สติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกอย่างก็โอเคพี่ใหญ่กับพี่กลางก็อย่าเพิ่งกังวลไปเลยเอาว่าน้อยให้การรับรองว่าชายันจะปลอดภัย90สเปอร์เซ็นตหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ เชิาหันไปดูทางเพื่อนผู้นอนหงายราบสงบอยู่แล้วถอนใจเบาๆอย่างสมเพชชัยยันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของเรานะเขาตามมาด้วยก็เพราะความรักเพื่อน น, นั่นเองการเดินทางครั้งนี้ถ้าเขาเป็นอะไรลงไปพี่จะเสียใจอย่างบอกไม่ถูกเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นจริงๆแล้วก็ เราควรจะหยุดพักการเดินทางไว้ก่อนเพื่อเห็นแก่ความปลอดภัยแน่ๆของเขาจะเสียเวลาสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมละแล้วก็น้อยในฐานะแพทย์ประจำคณะซึ่งจะต้องรู้อะไรดีกว่าพี่ก็ต้องบอกความจริงด้วยนะไม่ใช่มัวปิดอยู่คิดแต่ห่วงพะวงที่จะติดตามหาคู่รักของตนไทยเดียวอะ่ะประโยคหลังพี่ชายใหญ่เน้นคาหนักแน่นน้องสาวหน้าเสียโถพี่ใหญ่ พี่ใหญ่เห็นน้อยเปอะไรไปใช่แล้วน้อยก็รักและเป็นห่วงช ย, ยันไม่น้อยไปกั่ทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวคิดที่จะตามหาระพินโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนน่ะอุปัทวาเหตุที่เกิดขึ้นกับช ย, ยันครั้งนี้น้อยอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองซะด้วยซ้ำไปเออเรานี่ยมันเทวดาคุ้มตัวแข็งมากแล้วก็มีอํานาจในตัวเองอย่างประหลาดในอาณาจักรป่าดงพงไพรรับรองไม่เป็นอะไรหรอก ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายสักขนาดไหนอนุชาบอกมาพร้อมกับตบไหลน้องสาวโดยแรงดาริงยิ้มเศร้าๆขอบคุณค่ะที่พี่กลางพูดเหมือนเป็นการให้พรให้กำลังใจน้อยแต่น้อยมีความรู้สึกว่าการติดตามเราพินในครั้งนี้ถ้าหากจะมีการล้มหายตายจากก็น่าจะเป็นน้อยเป็นคนแรกเสียมากกว่าแล้วก็ขอพูดอีกครั้งนะคะ นั้นไม่สบายใจเลยที่เป็นต้นเหตุทาให้ทุกคนต้องมาลำบากเสี่ยงชีวิตไปกันน้อยในคราวนี้ด้วยกล่าวจบหล่อนก็เดินผลาจากพี่ชายทั้งสองไปยังพวกลูกหาบที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่ตรวจตรวจสอบถามดูอาการพวกนั้นไม่มีใครบาดเจ็บมากนะักหัวแตกกันบ้างคนละนิดถลอกบอกเบิงกันคนละหน่อยหล่อนจัดการเอายาแต้มลัสต์ปิดและจ่ายยาให้กิน ป้องกันอักเสบกันสุดแต่ว่าใครจะมีอาการแค่ไหนทุกคนยังอยู่ในภาวะมึนๆงงๆต่อเหตุการณ์แต่ขวัญและกำลังใจยังดีอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดที่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกบ้านของเราพินมีความอบอุ่นในความรักความห่วงใยของฝ่ายเจ้านายเท่าๆกับที่เชื่อมั่นในฝีมือของหนันอินและพรานชดซึ่งเคยมีประวัติและอดีตอันเลื่องลือมาแล้วไม่มีใครแสดงความยอดท้อ คิดที่จะหันหลังกลับเลยนายหญิงไม่ต้องหวง่วงหรอกครับนายชวนหัวหน้าลูกหาดยืนยันกับหล่อนหนักแน่นระหว่างที่หล่อนสนทนาสอบถามคนเหล่านั้นอีกสักร้อยเท่าพันเท่าของเรื่องร้ไร้ที่มันจะเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่มีวันถอยกลับครับตายเป็นตายเพราะพวกเราก็เป็นห่วงนายรพินจะไปเอาตัวเจ้านายของเรากลับมาให้ได้เหมือนกัน ทุกคนล้วนใจถึงและไว้วางใจได้ทั้งสิ้นสิงเขถาซึ่งบัดนี้เข้าไปนั่งพักอยู่ ใ, น ใ, นในกล้ๆ ก, กับตำแหน่งซึ่งชยยายันนอนหลับไปแล้วรองเรียกน้องสาวและทุกคนมาเบาๆสั่งให้เข้ามารวมกลุ่มกันใกล้ๆตำแหน่งนั้นมีเขากับอนุชาและหนานอินนั่งอยู่ก่อนแล้วดารินจึงนำคณะพวกลูกหาบและขยินตรงเข้าไปพอถึงต่างก็ซึดตัวลงนั่งล้อมเป็นวงกลม ในลักษณะประชุมกันเมื่อทุกคนมาพร้อมกันหมดแล้วพี่ชายใหญ่ขอ ง, ของคณะก็เริ่มต้นสอบถามน้องชายกลางและหนานอินขึ้นพบร่องรอยหลักฐานอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมบนนั้นนี่เพิ่งจะเป็นโอกาสแรกที่ฝ่ายข้างล่างขอสอบถามความเห็นของฝ่ายที่ขึ้นไปสำรวจบนหน้าผาจากสาเหตุที่พบว่าหินบนหน้าผาถล่มลงมาทับทางเส้นก่า ภายหลังจากวิกฤตการณ์ที่จู่โจมเข้ามาอย่างกะทันหันได้ผ่านพ้นไปแล้วก็นอกจากซากช้างถูกยิงหมอบหัวทิ่มคาอยู่กับหน่อหินหักบนนั้นตามที่รายงานลงมาแล้วเราก็ไม่พบหลักฐานอย่างอื่นอีกเลยล้วครับเพราะเชื่อว่าก้อนหินถล่มร่วงลงมากลบทําลายหลักฐานอื่นๆที่ควรจะมีทิ้งไว้ให้เราเห็นสมหมดครับ อนุชาบอกช้าๆอย่างไตรตรองลึกซึ้งแต่ในเรื่องนี้ผมกับลุงอินปรึกษาหารือกันแล้วครับก็อยากจะตั้งเป็นข้อเดาหรือข้อสันนิษฐานโดยรูปการที่เห็นอยู่ไอ้ส่วนจะผิดหรือถูกพวกเราทั้งหมดมาช่วยกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเธอกนานอินสันนิษฐานว่าไงละ่ละกลางพี่ใหญ่ถามอย่างเตรียมพร้อมที่จะรับฟัง คือเราหมายถึงผมกระนานอินนะครับเชื่อว่าอย่างนี้ครับภายหลังจากดื่มน้ำเต็มกระหายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตเขากลับลงมาอนุชาเริ่มคำอธิบายของเขาจากประสบการณ์ความชำนาญในภูมิประเทศที่เคยมีมาก่อนสำหรับบริเวณ น, นี้ระหว่างที่เชษฐาดารินและพวกลูกหาบทุกคนคอยฟังหูพึ่งอยู่ เราสันนิษฐานว่าณวันเวลาที่รพินนำคณะนายจ้างและพวกกระเี่ยงอพยพจากตะเคียนทองมาถึงปากทางช่องเขาแคบๆนี่ตอนนั้นเขาคงจะไม่ด่วนผลุนผนสั่งให้ขบวนกองคารวานทั้งหมดเคลื่อนผ่านเข้าไปในซอกอันน่ากลัวนี่ก่อนอย่างเด็ดขาดเพราะรพินจะต้องมีข้อสังเกตอยู่ที่หินใหญ่ก้อนที่ผมกนันอินเคยบอกไว้ก่อนแล้วนั่น เขาจะต้องพิจารณามันอย่างรอบคอบและระมัดระวังยิ่งทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อตัวเองก็รู้ดีอยู่ตลอดเวลาว่ามีโขลงช้างร้ายภายใต้อำนาจมนคชฉาสของไอ้ผีดิบมันไรคอยจ้องดักจะเล่นงานอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อแน่ว่าเขาจะต้องสั่งให้พวกนั้นหยุดรอคอยอยู่นอกเส้นทางจำกัดนี่ก่อนส่วนตัวเองก็คงจะมองหายตา ระแวงระวังไปที่หินมรุตยูก้อนนั้นซึ่งนั่นก็เป็นนิสัยอันรอบคอบทั่วๆไปในการเดินป่าของรพินที่พวกเราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วอย่าเอาละเอาละแ ล, แล้วแล้วยังไงต่อคราวนี้ผู้ถามคือน้องสาวคนเล็กซึ่งจ้องพี่ชายตามไม่กระพริบตรงนี้ก็คาดเดาเอาว่าอาจจะมีการทดสอบโดยส่งเสียงตะโกนก้องเข้าไปในหุบผาผีสิงนี่ ตามธรรมเนียมอย่างที่ชาวป่าทุกคนปฏิบัติเวลาจะผ่านเข้าออกเป็นการเคารพต่อเจ้าเขาที่นี่อาจจะมีการยิงปืนเพื่อให้คลื่นเสียงแผ่สะเทือนกล้องไปทั่วทั้งหุบเป็นการทดสอบดูว่าคลื่นเสียงจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติใดใดในซอกผานี่หรือไม่แล้วการตะโกนหรือยิงปืนขึ้นก็ทําให้เป็นคลื่นอากาศไปทําให้หมู่หินสองหน้าผานี่ถล่มลงมาอย่างนั้น ั้านั้นาช้างที่ไปพบตายคาอยู่บนนั้นโดยถูกยิงตามที่เธอบอกมันเกิดได้ไงเชษฐาดแย้งตัดเหตุผลทำอธิบายของน้องชายแทรกมา ท, ทันทีอนุชาหนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเอามือขยี้ปลายจมกูกพยายามคิดค้นวาดภาพเหตุการณ์ไอซากช้างตัวนั้นมันถูกยิงในระยะใกล้ๆเกือบจะเรียกว่าเผาขนซุดติดคาอยู่ยังตาแหน่งซอกหิน ทันแล้วอนุชาวราริศก็เอ่ยขึ้นในลักษณะทบทวนช้าๆแล้วต่อมาว่าเอางั้นผมขอตั้งสมมุติฐานใหม่นะครับคือรพินน่าจะต้องมาสังเกตเพ่งจุดสนใจระมัดระวังอยู่ตรงก้อนหินสำคัญก้อนนั้นนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ในข้อที่ว่าเขาอาจจะพบพิรุษบางอย่างตรงก้อนหินกิ่วก้อนนั้น อาจจะมองเห็นวีแวลของช้างตัวนั้นที่แอบซุ่มอยู่หรืออาจจะเห็นลางบอกเขตที่ไม่น่าไว้ใจซึ่งก็เป็นการแน่นอนว่าหากเขาสงสัยว่าจะมีอะไรซุ่มอยู่อย่างหลังก้อนหินมฤตยูก้อนนั้นเดยเตรียมที่จะผลักดันให้หินใหญ่ถล่มขาดจากรอยกิว่วร่วงลงมาผูผาทั้งสองด้านก็จะถูกแรงสะเทือนทำให้หินร่วงพลูตามกันลงมากรบทับเส้นทางอย่างที่เราเห็นกันอยู่และทารบินมีความรู้สึกในขณะนั้น เหมือนกับที่ผมตั้งเป็นข้อสมมุติมานี่พี่ใหญ่หรือน้อยลองถ่ายเหตุการณ์ต่อไปสิครับว่าเขาจะทํำยังไงเชิดถาเม้มริมฝีปากใคร่ครวนแต่ดารินบอกมาในทันทีว่าถ้าเป็นอย่างที่พี่กลางว่าระพินจะต้องสั่งให้ขบวนทั้งหมดหยุดอยู่นอกเส้นทางก่อนโดยยังไม่ยอมให้เสี่ยงเดินเข้าซอกแน่นอนและตัวเขาเองอาจจะเป็นคนเดียว หรืออาจจะพร้อมด้วยพรานมือดีของเขาบางคนก็จะต้องไต่หน้าผาขึ้นไปดูอย่างตำแหน่งที่สงสัยนั้นยังไม่มีปัญหาใช่ไหมครับพี่ใหญ่ประโยคหลังหลอนหันมาขอความเห็นเชษฐาอดีตท่านทูตทหารบกกม้มศีรษะลงอก็ควรจะเป็นทํานองนั้นแหละน้อยเพราะเขาจะปล่อยให้มีสิ่งใดเคลือบแคลงเสี่ยงต่ออันตรายของพรกพวก โดยให้พวกนั้นเดินเข้าไปในซอกนี่ไม่ได้แน่ๆเรารู้กันอยู่แล้วรับพินน่ะไม่เคยมีจุดประมาทเลินเล่อหรือมองข้ามข้อสงสัยอันน่าจะเกิดอันตรายแกบุคคลในรับผิดชอบของเขาเลยในเรื่องนี้นะ่ะเราแน่ใจได้เลยว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้เสี่ยงไต่ขึ้นไปยังก้อนหินก้อนนั้นไอ้ส่วนจะมีใครตามเขาขึ้นไปด้วยก็เกินกว่าที่เราจะคาดคะเนดได้อนุชาดีดนิ้วเบา เอาละครับเมื่อเราปรุงใจเชื่อได้เช่นนี้แล้วคือเชื่อว่าระพินไต่ขึ้นไปยังหน้าผาตำแหน่งสำคัญสุดยอดนั่นและเมื่อเขาคืบใกล้เข้ามาเขาก็จะต้องมองเห็นช้างใหญ่ตัวนั้นแอบซุ่มอยู่ในลักษณะที่รอคอยทีเตรียมที่จะใช้พลังเพื่อทำให้ก้อนหินก้อนนั้นขาดตกลงมาเป็นการห็นกันในระยะระชันชิดใกล้ๆเขาจะทำอย่างไงต่อไป ยิงนะที่เชษฐาและดารินร้องออกมาพร้อมกันครับนั่นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่รพินจะทําในภาวะเช่นนั้นและจากรอยกระสุนที่ผมกับลุงอินเข้าไปตรวจดูมันเจาะเข้าโพรงน้ำเต้าในระยะกระชั้นชิดทีเดียวครับทะลุผ่านกระโหลกอันเป็นที่ตั้งของสมองมีรูผ่านออกในมุมเฉียงขึ้นสูงเหนือศีรษะบริเวณใกล้เคียงกระต้นคอแสดงว่าผู้ยิงนะ ได้ยิงสวนจากด้านต่ำขึ้นหาเป้าหมายที่สูงกว่าแล้วก็เป็นการยิงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเจ้าช้างรายตัวนั้นถล่มลงขาดใจทันทีอย่างเฉียบขาดเชีดฐาอย่างเต็งไปด้วยแววพิสวงช้างตัวนั้นถูกยิงฟุบลงมันก็น่าจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างลงเพียงแค่นั้นสิแต่หินมันพังลงมาได้ยังไงเราก็แผ่นดินถล่มอ่ะพี่ใหญ่ครับ ถ้าพี่ใหญ่ได้ขึ้นไปสำรวจดูภูมิประเทศบนนั้นพร้อมกับผมและลุงอินพี่ใหญ่จะเข้าใจได้ดีที่สุดครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงต่อไปอนุชาพูดอย่างมั่นใจที่สุดมีรอยที่ช้างตัวนั้นคู่เข่าสุดหมอบลงเพราะถูก ป, ปืนแล้วคลู่ตัวเองลงมาตามความชันของหน้าผากาครคลู่ถลยตัวของมันลงมาหยุดค้างอยู่ ตำแหน่งโคลนหินกิ่วนั่นพอดีครับน้ำหนักตัวของมันมีพลังพอที่จะทำให้หินที่กิ่วมินเม ย, ยู่ก่อนแล้วสั่นสะเทือนขึ้นพวกง่ายๆว่าหวัวปักลงมาชนอย่างแรงนั่นแหละครับคราวนี้หินก้อนนั้นก็ขาดร่วงลงบนหินบริวารอื่ น, นๆก็เลยพลอยถล่มร่วงตามเป็นลูกโซ่ตรงตามหลักเกณฑ์เดิมที่เราสันนิษฐานกันไว้แล้ว เลระพินล่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงดารินร้องขึ้นดังๆโดยเร็วเบิกตาโตพี่ชายกลางเอานิ้วขยี้ปลายจมูกกอนนี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่เรามาสะดุดชะ ง, งักไงใช่และระพินเองล่ะแล้วคนที่ติดตามเขาขึ้นไปบนหน้าผานั้นด้วยล่ะถ้าหากว่าจะมีคนตามเขาขึ้นไปด้วยจะตกอยู่ในภาวะใดทันทีที่หินก้อนนั้นขาดร่วง ภูเขาถลม่มมันเป็นสิ่งที่พวกเราเหลือจะเดาได้ทีเดียวโลกสีกส่วนนี้มันจะหมุนคว้างไปหมดด้วยแรงสะเทือนของภูเขาถลม่มช้างตัวนั้นตายก็จริงแต่การตายของมันคือการถล่มของหินเช่นกันถ้าคิดในแง่ดีก็คือรพินจะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวและหลีกหลบภัยจากก้อนหินร่วงเหล่านั้นได้แต่ถ้าคิดในแง่ร้าย ร่างของเขาก็จะต้องถูกก้อนหินก้อนใดก้อนหนึ่งร่วงหล่นลงมาปะทะตัวเองประเด็นหลุดตามฝนหินเหล่านั้นลงไปด้วยแล้วขณะ น, นี้ก็คงจะแหลกยับอยู่ยังใต้กองหินที่เราอยู่กันในขณะนี้นี่แหละเหตุการณ์ตอนนั้นพวกเราไม่เห็นก็จริงแต่มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่โอลมมนสับสนและหวาดเสียวยิ่งกว่าพวกเราโดนพายุทอร์นาโดเมื่อครู่นี้หลายเท่านะใครก็ตาม ที่บังเอิญเดินเข้าไปในซอกเขานี่ก็จะต้องถูกหินหล่นลงมาตบทับทั้งเป็นกันทั้งหมดไม่ว่าจะมีจํานวนสักเท่าไหร่อนุชาชี้มือลงไปยังบริเวณส่วนนอกของแนวผาขนาดที่ต่ําลงไปกล่าวต่อว่าและแม้ว่าจะมีกองคาราวานพวกเขาถูกสั่งให้หยุดรออยู่นอกเส้นทางข้างล่างนั่นโดยยังไม่ให้เดินเข้ามาในซอกแคบนี้ก่อนก็ตาม พวกนั้นก็จะต้องกระจัดกระจายเพ่นกันชนิดหูตูปทีเดียวขณะที่หินมันทะล่มลงมาเพราะนอกจากจะร่วงพลูลงมากลบเส้นทางแล้วเศษหินบางส่วนก็ยังกระเด็นกระจัดกระจายออกพ้นนอกเส้นทางกระโดนกลิ้งเข้าใส่พวกที่รอยอยู่ด้านล่างด้วยอย่างไม่มีปัญหาเพราะปริมาณมันมากเหลือเกินไม่รู้สักกี่หมื่นกี่แสนตันที่มันพลูกันลงมาถ้าหลบไม่ทันก็มีสิทธิ์ถูกทับตายเหมือนกัน แต่เท่าที่เราตรวจผ่านมาแล้วไม่มีวี่แววว่าใครจะตายหรือบาดเจ็บอยู่ด้านนอกน่นดารินเริ่มหน้าถอดสีเผือดลงอีกครั้งมโนภาพของหล่อนดูเหมือนกับว่าจะเห็นเหตุหการณ์ตอนนั้นอย่างเด่นชัดที่สุดตามคำบอกเล่าของพี่ชายกลางเฉตฐาสังเกตเห็นได้ก็ตบที่ไหลน้องสาวหนักๆพูดปลอบใจว่านี่มันก็เป็นเพียงแค่ข้อสมมุติ ขนาดคเนของกลางเท่านั้นหรอกน้อยมันอาจเป็นจริงตามที่กลางว่าทั้งหมดหรือเป็นจริงในเพียงบางส่วนก็ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่มีหลักฐานมายืนยันได้มากกว่านี้เราจะยังลงความเห็นที่แน่นอนลงไปไม่ได้หรอกแต่พี่เชื่อมั่นในความจริงอยู่อย่างเดียวความจริงอะไรคะเสียงของน้องสาวเบาเกึอบเป็นเสียงกระซิบพี่มั่นใจว่า ถ้ารพินตายหรือบาดเจ็บมากการเดินทางจะต้องสะดุดชะงักทันทีไม่มีใครที่จะกล้านำทางแทนเขาต่อไปได้หรอกเท่าๆกับที่อเมริกันพวกนั้นก็คงไม่กล้าบุกบันต่อไปอีกเช่นกันนอกจากจะถอยกลับแต่นี่เราก็ไม่ได้พบร่องรอยการถอยกลับของพวกนั้นเลยไม่ใช่เหรอเหตุผลของพี่ชายใหญ่ทําให้ทั้งอนุชาและดารินมองเห็นข้อเท็จจริงขึ้นมากทีเดียว อดีตพรานชดรีบออกตัวว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าระพินจะต้องถูกหินชนประทะตกลงมาเพียงแต่ตั้งเป็นข้อคิดไว้เท่านั้นนะครับว่าถาขณะที่เขายิงตูมไอ้ช้างเวนหัวทิ่มลงชนหินขาดเกิดการถล่มของหน้าผาขึ้นถ้าเขาหลบไม่ทันเขาก็ต้องตกลงมาพร้อมกับหินนั่นด้วยแต่ถ้าหลบทันก็รอดตัวไปผมพูดในแง่มุมกว้าง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในหลายๆกรณีแต่เมื่อพี่ใหญ่ให้ความเห็นว่าถ้ารพินเป็นอะไรลงไปซะก่อนการเดินทางจะต้องหยุดชะงักผมก็เห็นด้วยในข้อนี้ครับ่ะลุงอินละ่ะว่าไงเฉถามองไปยังพรานครูผู้เฒ่าซึ่งนั่งฟังอยู่เงียบๆแทบจะไม่ออกความเห็นอะไรเลยหรืออะไรละ่ะนายใหญ่ ลุงอิงย้อนถามมาซื่อๆอยังไม่เข้าใจในคำถามของเขาก็เรื่องที่ว่าทำไมหินมันถึงร่วงลงมาถมเป็นถนนใหม่ขึ้นในซอกเขานี่นะสิลุงมีความเห็นว่าไงก็อย่างที่พรานชดว่านั่นแหละในายใหญ่นายรพินไตทางขึ้นไปยิงช้างตัวนั้นพอช้างล้มลื่นลงมาชนหินใหญ่ หินเล็กทุกก้อนก็พลอยร่วงลงมาหมดแกบอกสั้นๆและรับพินละ่ะลุงคิดว่าเขาจะร่วงลงมาพร้อมหินด้วยไหมดารินเกือบถามเกือบจะไม่มีเสียงพรานเท่าสั่นหน้าช้าๆนานอินไม่เชื่อว่านายรับพินจะมีอันเป็นไปถึงกับชีวิตจากภัยของป่า ยกเว้นอย่างเดียวไม่สบายแล้วตายจากไข่จับสันของแก่เท่านั้นเอางั้นเอางี้ดีกว่าอนุชาเอ่ยขึ้นอย่างตัดสินใจเอาเป็นว่าระหว่างที่พวกเรานั่งพักอยู่ที่นี่เฝ้ารอดูอาการของนายทหารชัยยันลุงอินกัคกีนก็ลองสำรวจเส้นทางนี้ไปก่อนสิแต่ไม่ต้องไปไกลมากนักนะให้ไปซั สามสี่สิบเส้นทะลุออกปากช่องทางด้านโน้นะตัวด้วยเห็นชัดว่ามีรอยของพวกนั้นเดินผ่านไปตามเส้นทางนี้หรือเปล่าหลังจากหน้าผามันถล่มลงแล้วอ่ะเอาวิทยุนี่ไปด้วยแล้วกันจะได้ติดต่อกันได้พร้อมกล่าวอนุชาก็ส่งวิทยุรับส่งมือถือประสิทธิภาพสูงประจาตัวไปให้แกทันทีนันอินไม่พูดอะไรอีกรับมาได้ก็ฉวยไรเฟิล แล้วเดินเข้าไปตบหัวขยินผู้ยังนั่งกอดเข่าอยู่พยักหน้าเป็นความหมายแจ่นักเลงโตหล่มช้างก็ลุกขึ้นยืนตามทันทีอย่างรู้กันทั้งสองพากันออกเดินไปตามเส้นทางอันอุดมไปด้วยหินครุกรัที่ร่วงหล่นลงมาทับเส้นทางบ่ายหน้าออกไปยังปากทางอีกด้านหนึ่งช้าๆตาก็สอดส่องมองไปตามพื้นและบริเวณรอบด้านที่ผ่านไปด้วย ก็แปลว่ามันมาดักเล่นงานพวกเขาตรงจุดรับขันที่สุดของเส้นทางอยู่ตรงนี้เองเจตนาหมายฝังทั้งไปให้หมดทั้งคณะเลยเชิถากล่าวขึ้นเหมือนจะพูดกับตัวเองขณะที่มองไปยังบริเวณสยดสยองรอบตัวพี่ไอ้่ครับผมกับลุงอินไม่เคยผจนการเลขกลของไอ้ผีดิบมันไตรมาก่อน ในสมัยที่บุกบั่นกันไปยังเทือกพระศิวะครั้งนั้นนอกจากจะไม่เห็นริทของมันในตอนที่เราติดหลังระพินมานี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่ใหญ่และน้อยที่ผ่านมาก่อนแล้วย่อมจะรู้ได้ดีกว่าผมในเรื่องนี้อนุชาว่ามันเป็นสิ่งมหาศจ ร, รย์ที่เหลือร้ายแล้วก็ลี้ลับขีดสุดความจริงระพินกระ บ, บุญคำช่วยกันกาจัดมันลงได้แล้วในครั้งนั้น คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของมันจะเสื่อมสลายสูญสิ้นไปแต่ตรงข้ามมันกลับหวนกลับคืนมาได้อีกแล้วก็ดักรอคอยแก้แค้นเขาอยู่อีกซึ่งก็น่าจะไร้กาดกว่าเดิมเพราะอาศัยช้างทั้งป่าเข้ามาเป็นบริวารสุดแต่มันจะเข้าสิงบงการและซ้ำยังไปขนเอาไอ้อพวกศพตายซากนับอายุไม่ถูกในสุสานของนครโบราณมาเป็นเครื่องมือได้อีกด้วย รบพินกับพวกนั้นน่ะล่วงหน้ามาก่อนเราแล ะ, ะเผชิญศึกหนักเข้าก่อนแล้วไอ้ฝ่ายเราหรือตามหลังเข้ามาก็ถูกมันคอยสกัดกั้นราวีด้วยเช่นกันนี่แสดงว่าทั้งคณะของรบพินและคณะของเราตกอยู่ในห้วงภัยอันเดียวกันแล้วแน่นอนเพียงแต่ว่าฝ่ายใดจะถูกอย่างไรเมื่อไรเท่านั้นแต่จากหลักฐานนั่นระพินถูกอย่างหนักกว่าเรามากนะัก ขนาดมีการล้มตายเกิดขึ้นกระหมูคณะและตัวเขาเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดตอนที่เราได้หลักฐานว่าเขาถูกล่อให้ไปตกเหวก็เมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วพี่ใหญ่ว่าเราควรจะวางแผนการยังไงต่อไปแล้วครับน้องชายกลางขอความเห็นเชษฐานนี่ยังไม่อาจลงความเห็นอย่างใดลงไปได้ดารินนั่งนิ่ง ดวงตาหีีซึมหล่อนกำลังนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในคืนสยองที่ผ่านมาก่อนกองทัพช้างจะบุกเข้าโจมตีหล่อนได้เผชิญหน้ากับมันแล้วเจ้าปุโรหิตมันไรผู้เป็นอมตะแห่งอาณาจักรในอดีตการไกลโพ้นตนนั้นมันอ้างถึงชาติบางบันของหล่อนเอยเรียกนามหล่อนว่าจิตรางคนางเทวีอันเป็นเชษฐักนีของพันธุมวดี ที่มันผูกจิตพิศวา์เฝ้ารอคอยอยู่เรื่องของกษัตริย์หนุ่มอัคนีรุษศัตรูเก่าที่มันอ้างว่ากลายมาเป็นระพินไพรวันในชาติภพนี้เรื่องราวของความสเสน่หาที่ผูกพันเกี่ยวโยงกันเป็นปมเงื่อนซับซ้อนปรารถนายิ่งใหญ่ของมันก็คือประสงค์จะเอาตัวหล่อนกลับคืนไปให้ได้เป็นกำเก่าที่ติดพันกันมานานแสนนาน นับย้อนการเวลาไม่ได้ว่ามันได้เกิดขึ้นในยุคสมัยใดเรื่องราวเหล่านี้หล่อนไม่เคยปริปากบอกให้พี่น้องหรือพักพวกคนใดในคณะได้ทราบเลยว่าหล่อนได้รับทราบเช่นไรจากมันไรในคืนนั้นก่อนที่ทุกคนจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นและประจันบาลกับการบุกเข้าทะลวงโจมตีของขล ง, งช้างภายใต้มนต์สกุสั่งแห่งมันไร เรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่หลอนไม่อยู่ในฐานะที่จะนำมาบอกเล่าให้คณะพักได้รับทราบได้เลยเพราะใครจะยอมรับฟังได้อีกประการหนึ่งตัวหลอนเองแม้จะจำได้ในทุกถ้อยคาที่มันพูดจะสามารถมองเห็นเป็นภาพพดย้อนหลังไปในอดีตการอย่างแจ่มชัดก็จริงแต่หลอนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่เพียงใดแค่ไหน เพราะขณะที่หลอนรับรู้เรื่องราวนั้นก็เป็นเวลาที่ตนเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของการสะกดจิตครึ่งหลับครึ่งตืง่นถ้าจะเชื่อตามคำบอกเล่าของมันไรอกมนุษย์ตนนั้นก็ย่อหมายความว่ามันติดตามราวีรพินในฐานะศัตรูคู่แค้นทั้งในอดิตชาติและในปัจจุบันชาติที่เขาเกิดมาเป็นระพินชาตินี้ และการติดตามมาเพื่อหมายจะเอาร่างกายตลอดจนวิญญาณของหล่อนกลับคืนไปในฐานะที่มันหมายปองผูกพันทางด้านสเสน่หามาแต่ปางก่อนเป็นการทำลายศัตรูเก่าแล้วแย่งชิงหญิงอันเป็นที่รักเก่ากลับคืนไปให้ได้จากการรอคอยโอกาสของมันมาไม่ทราบสักกี่กับกี่กันมาแล้วซึ่งโดยเจตนามุ่งหมายของมันเช่นนี้ก็ย่อมไม่มีปัญหา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 นายอินและขยินเดินห่างไกลลิบออกไปแล้วอนุชาและเชษฐาคุยอะไรกันในข้อปัญหาอยู่แผ่วเบาตัวหล่อนเองก็จมอยู่ในห้วงภวังชายันยังนอนนิ่งอยู่อย่างสลบสลายและห่างออกไปเล็กน้อยกลุ่มลูกหากภายใต้การนำของนายชวนหัวหน้าก็นั่งจับ ก, กลุ่มคุยอะไรกันอยู่แผ่วๆบรรยากาศหนักอึ้ง เต็เมไปด้วยความอึดอัดกระสับกระส่ายของความคิดภายในของแต่ละคนเงื้อมเงาภายัยดูเหมือนจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกอนูของบรรยากาศรอบตัวแม้จะดูคล้ายๆกับว่าเฉพาะขณะนี้มันสงบราบคาบลงแล้วก็ตามเวลาล่วงผ่านไปพักใหญ่ ดารินคงนั่งซึมนิ่งอยู่คนเดียวโดยไม่เอ่ยอะไรอีกเลยอยู่เช่นนั้นแล้วหล่อนกับพี่ชายก็ไหวตัวขึ้นพร้อมกันเมื่อเสียงวิทยุจากนานอินดังเรียกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่านายนายพบแล้วพวกนั้นยกขยโงงเดินผ่านเส้นทางนี้ไปแน่แน่มีเศษเข้าของหล่นรอยเดินทิ้งไว้ให้เห็นเยอะแยะทีเดียว เทถาก็ถามไปโดยเร็วว่าตัวดูชัดๆนะลุงอินทั้งขบวนกระเรี่ยงอพยพด้วยใช่ไหมหรือว่าเฉพาะบางส่วนเท่านั้นทั้งขบวนเลยล่ะนายให้พวกตาเขียนท้องอพยพก็ผ่านมาตามเส้นทางนี้ด้วยนั้นยินเดาเอาจากรอยเดินสับสนมากๆคนนะ่ะถ้างั้นก็สรุปได้แน่นอนแล้วล่ะครับพี่ใหญ่ ภายหลังจากระพินขึ้นไปยิงช้างร้กาตัวนั้นจนหินผาถล่มลงมากรบซอกทางนี้สุดสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งคณะก็บายหน้าเดินกันต่อไปบนเส้นทางที่เกิดใหม่นี่ก็อาจจะมีใครเจ็บใครตายหรือใครถูกฝังไปมั่งก็คงไม่มากนักแล้วก็ยากที่เราจะเดาได้ถูกยกเว้นแต่จะไปถึงห้วยเสือร้อเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจ่างชัดเมื่อนั้นพร ะ, ระพินก็จะต้องไปหยุดพักอยู่ที่นั่น เป็นสถานีสุดท้ายก่อนจะเข้าเขตนรกดําเราก็จะได้ความชัดเจนจากพวกที่ห้วเสือร้องแน่นอนโดยไม่ต้องมานั่งคิดเดาสันนิฐานอะไรกันอยู่อีกละอดีตพลานชดพูดออกมาอย่างยินดีขณะนั้นเสียงหนานอินก็ดังถามไม่อีกว่าจะเอายังไงต่อไปและนายชดจะให้นานอินกะกะยินเดินสาวรอยไปเรื่อยเรื่หรือว่าจะให้ย้อนกลับเอาไงก็สั่งมา รออยู่ตรงปากทางนั่นก่อนนะนานอินยังไม่ต้องเดินต่อไปรอย้อนกลับให้เสียเวลาหรอกคอยฟังคําสั่งแล้วกันอนุชาบอกกับคนของเขาแล้วหันมาทางน้องสาว อ, ะอ่ะน้อยก็เป็นนันเชื่อมั่นได้ถึงกว่า 90% เอร์ซแล้วละ่ะว่ารับพินของเธอไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะมีรอยพวกนั้นมุ่งหน้าต่อไปยังห้วยสือร้องในรูปคาราวานแบบเดิม ว่าแต่เราจะทำยังไงกันต่อไปอะสำหรับชั ย, ยันเพื่อนเราที่บังเอิญมาเคราะไรต้องนอนแองแม้งอยู่เนี่ยใจพี่นะหากไม่ห่วงชั ย, ยันก็อยากจะออกเดินทางเชเดี๋ยวนี้เลยละ 1... นึ่ง้นารินตกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือแล้วขยับเข้าไปใกล้เพื่อนชายที่รักสนิทเสมอพี่น้องลักษณะของชา ย, ยันยังนอนสงบนิ่งอยู่หล่อนจับอัตราเต้นของชีพจร และใช้หูฟังตรวจดูตามสวงอกอย่างระมัดระวังเป็นการตรวจอย่างละเอียดที่สุดอีกครั้งระหว่างนั้นพี่ชายสองคนจ้องมองหลอนขมิงและเงียบกริบพอหลอนงัดเอาเครื่องวัดความดันโลหิตขึ้นมาพันที่แขนคนเจ็บเทถาก็กระซิบเบาๆว่าอย่างที่สั่งไว้แล้วนะน้อยความปลอดภัยของชา ย, ยันมาก่อนอื่นใดในขณะนี้ อย่าพยายามฝืนเขาเป็นอันขาดถ้าเห็นว่าอาการของเขายังไม่น่าไว้วางใจดารินยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบีบพูกยางให้สายรัดแน่นกระชับเข้าไปแล้วอ่านมาตรวัดเฉฐาอนุชาจ้องดูอยู่ใกล้ชิดเด ว, วามรู้สึกไม่สู้จะสบายใจนะักแต่แล้วพอหล่อนคลายสายรัดออกเสียงถามเบาๆ เ, เรียบๆก็ดังมาจากคนเจ็บ ที่มีอาการเหมือนจะหลับสนิทอยู่ว่าเท่าไหร่น้อยเชืถากับอนุชามองตากันอย่างงงงแล้วยิ้มออกมาได้ดารินทปลายนิ้วแตะริมฝีปากตนเองแล้วขยี้เบาๆลงไปยังหน้าผากของชัยยันร้อยส90ปกติดีทุกอย่างชยยันเพียงแต่ว่าเธออาจจะง่วงนอนหน่อยเท่านั้นเพราะยานอนหลับ แต่เธอก็นอนพักมาร่วมชั่วโมงเลยนะเมื่อ น, นั้นอดีตนตายทหารปืนใหญ่จึงดึงกายลุกขึ้นนั่งพร้อมกับลืมตาขึ้นบิดดัดต้นคอไปมาแล้วเอามือแตะบาดแผลที่ปิดพลาสเตอร์ไว้อเดินต่อบเดี๋ยวก็หายง่วงเอยตอนนี้หายคลื่นไส้หายมึนหัวละชยันจะแนใ่ใจนะราชสกุลสองพี่น้องถามขึ้นพร้อมกัน ตรวจสีหน้าอาการของเพื่อนคำแหงเออสบายถึงแม้จะไม่มากนะักกลัวอะไรวะหมอดารินอยู่นี่ด้วยทั้งคนถ้าฉันเดินไม่ไหวตรงไหนก็ลงนอนมาตรงนั้นแหละตรวจรักษาตัวกันต่อไปเท่าที่จะทําได้ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวล น, นี่วะเป็นไงได้รองรอยชัดแล้วใช่ไหมว่าพวกของระพินเดินผ่านเส้นทางนี้ต่อไปภายหลังภูเขาถล่มลงมา ชายันอันนันไตรเป็นคนง่ายๆเช่นนี้เสมอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแม้จะมองเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าก็ตามอืมใช่เราได้ร่องรอยเพิ่มเติมแล้วว่ารพินนำพวกนั้นเดินต่อไปตามเส้นทางสายนี้แหละอนุชาเป็นคนตอบเอา้าถ้างั้นจะชักช้ายอยู่ทาไมเล่าพร้อมพูดชยันก็ลุกขึ้นในทันทีมีื้การเซน่นิดนิด แต่อื่นๆทั่วไปก็ดูจะดีขึ้นกว่าเดิมมากพวกเราออกเดินต่อเนี่ทางจะถึงห้วยเสือร้องก่อนค่ำวันนี้ไ้มเนี่ยประโยคหลังเขาถามอนุชาผู้รู้เส้นทางดีอณิพรานชดมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยเราก็พยายามจะไปให้ถึงนะแต่เกรงว่าจะไม่ถึงก่อนค่ำแน่ๆเพราะสีเวลาไปมากนี่ก็เย็นลงเต็มที่แล้วถ้าจะหักโหมกันจริงๆ อาจถึงได้ในเวลาสีห้าทุ่มแต่การเดินทางภายหลังตะวันตกดินไปแล้วนี่มันเสี่ยงออนะน้าไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำไหนก็นอนนั่นวันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ถึงเองแหละชายันบอกแล้วก็จัดเตรียมตัวเองทันทีควาไรเฟินเหวี่ยงเครื่องหลังขึ้นสะพายไหลเชธฐาอนุชาและดารินก็ยืนขึ้นพร้อมกันในทันทีนั้นเช่นกันโดยเฉพาะอนุชา หันไปตะโกนสั่งพวกลูกหาเตรียมเคลื่อนย้ายและใช้วิทยุบอกความไปยังหนานอินกับขยินเบื้องหน้าว่าพรรคพวกข้างหลังกำลังจะเดินไปสมทบเดี๋ยวนี้